หากจเจยถึงท่านปรมาจารย์ตักโมแล้วหลายคนอาจเคยได้ยินจากนิยายจีนกํนาลังภายในหรือหนังจีนยุคเก่าๆ ก, กันมาบ้างนะครับถ้าหากท่านใดยังไม่เคยรู้จักปรมาจารย์ตักโมหรือพระผู้ที่ทมหาเถระผู้ทีตาหมอผู้ทีหรือโพธิหมายถึงผู้รู้ตาหมอหมายถึงธรรมะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับท่านปรมาจารย์ตักโมท่านนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับ ปรมจารย์ตักมอท่านก็คือพระสังฆปรินายกองค์ที่28ของพุทธศาสนาในประเทศอินเดียครับพระสังฆปรินายกก็คือพระอริยะสงสาวกซึ่งได้รับการถ่ายทอดชี้ธรรมด้วยวิธีแห่งจิตสู่จิตครับวิธีชี้ตรงฉับพันนี้ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมกับบุคคลผู้มีพื้นฐานความสามารถสูงเป็นพิเศษก็คือผู้มีอัจฉริยภาพนั่นเอง โดยในแต่ละรุ่นจะได้รับมอบบาตรจีวรสังฆติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับมีหน้าที่รละภารกิจอันใหญ่หลวงในการจันหลงพระพุทธศาสนาปกครองดูแลเหล่าสงฆ์สาวกและจัดระเบียบต่างๆในอนาณาจักรธรรมครับตามบันทึกตำแหน่งของพระสังฆบรินายกมีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณภูเขาคิชฌกูฏ ค่ำวันนั้นท้ามหาพรมได้เสด็จมาเข้าเฝ้าถวายดอกบัวเป็นพุทธบูชาแล้วจึงกรับทูลอรัธนาให้ทรงแสดงพระธรรมพระตถาคตจึงยกพระหัตถ์ขวาบรรจงหยิบ ด, ดอกบัวขึ้นท่ามกลางสันนิบาตนั้นโดยไม่ได้ตรัสแต่ประการใดในขณะนั้นปวงเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างไม่เข้าใจในความหมายจะมีก็เพียงพระมหากรสปะผู้เดียวเท่านั้น ที่ทัศนาองค์พระบรมครูด้วยดวงตาอันเต่งประกายพร้อมกับมีรอยยิ้มละไมจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสขึ้นในกลางที่ประชุมว่าตถาคตมีธรรมจักสุอันถูตรงนิพพานตถาคตเป็นผู้มีญาณทัศนะอันรู้จบพร้อมในธรรมตถาคตเป็นผู้มีดวงจิตอันหลุดพ้นแล้วตถาคตเป็นผู้ทารงศัจจ์อันบริสุทธิ์ไม่เคลือบคลุม สิ่งใดอันตถาคตเป็นทำใดอันตถาคตรู้สิ่งนั้นทำนั้นตถาคตได้ถ่ายทอดให้แก่มหากรสปะโดยครบถ้วนบริบูรณ์แล้วและพระมหากรสปะพูดถึงช่วงเวลาแห่งการตรัสรู้ก็ได้บรรลุธรรมทันทีเมื่อพระพุทธองค์ทรงใช้ดอกบัวเป็นประหนึ่งกุญแจทองไขประตูใจเปิดให้เห็นพุทธจิตธรรมแห่งแท้ในตนนี่ก็คือการส่งทอดปัญญาาณ จากจิตสู่จิตนั่นเองด้วยเหตุนี้จึงถือว่าพระมหากัสปะเทระผู้ซึ่งได้รับการแสดงธรรมโปรดโดยวิธีชี้ตรงฉับพันจึงถือว่าเป็นพระสังฆาปรีนายกองที่หนึ่งแห่งพระพุทธศาสนาในอินเดียการถ่ายทอดพระธรรมดังกล่าวมีพระอริยเจ้าแต่ละสมัยรับช่วงสืบทอดกันมาโดยมีลาดับดังนี้ 1. พระมหากัสปะเทระ 2. พระอาณุเถระ 3. พระสันนวสเถระ 4. พระอุปปคุปเถระ 5. พระธริตกะเถระ 6. พระมัชกะ 7. พระวสุมิเตระ 8. พระพุทธนันทเถระเพระพุทธมิเตระ 10. พระปารสวะเถระ 11. พระปุญญสัตเธระ 12. พระอสวโคดมหาโพธิสัตว์ 13. พระกบินเธระ 14. พระนาคารชุนมหาโพธิสัตว์ 15. พระคุณเทวะเธระ16พระราหุนตะเธระ 17. พระสังนันธิเธระ18พระสังคยาสัตเธระ19 พระกุมารถเทระ0พระชยะเทระ21พระวะสุพันธุเทระ22พระมนูระเทระ23พระหกเลนยสัตว์เทระ24พระสินหเทระ25พระวะสิอาศิทเทระ26 พระปุญญมิตรเถระ27พระปัจชะยาเถระและ28พระโพธิธรรมหรือปรมาจารย์ตักหม้อนั่นเองเอาละครับจากนี้เราจะมาตามประวัติท่านปรมาจารย์ตักม้อกันครับท่านปรมาจารย์ตักหม้อเดิมทีเป็นพระราชโอรสองค์ที่สของพระเจ้าแผ่นดินทันทารราชประเทศอินเดียครับตั้งแต่พระชนมายุอย่างเยาว ทรงกราดเรื่องและแตกฉานในคำพีของทุกทุกศาสนาตลอดจนวรรณคดีอักษรศาสตร์โบราณนับเป็นปราชดเอกแห่งยุคเมื่อพระบิดาสิ้นพระชนลงพระองค์ก็สามารถนั่งฌานสมบัติชั้นสูงอยู่เบื้องพระบรมศพของพระบิดานานตลอดถึง7วันได้หลังจากนั้นจึงไปศึกษาแสวงธรรมอยู่กับพระปรัชญาตาเถระผู้ซึ่งเป็นพระสังฆปริณายกองค์่ี่พระปรัจชญาตาเถระ ได้หยิบลูกแก้วยกขึ้นให้พระพุทธธรรมดูเป็นปิิศนาและทันใดนั้นท่านก็บังเกิดความสว่างสวัยรู้แจ้งแทงตลอดถึงพระธรรมที่ตนเคยสงสัยมาทั้งหมดกระทั่งสามารถตอบปัญหาธรรมได้ทั้งหมดเมื่อบรรุธรรมแล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระปัชญาตาเถระเห็นถึงปัญญาบารมีอันสูงล้ำของพระพุทธธรรมจึงได้เรียกประชุมคณะสงฆ์และประกาศว่า พระพุทธธรรมได้บรรลุธรรมสมบูรณ์ดีแล้วฉันจะมอบบาศจีวรสังขติและถ่ายทอดธรรมทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านเป็นพระสังฆาปรินายกองค์ที่28ต่อจากฉันเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปเป็นสิทธิหน้าที่ของท่านที่จะทําให้วิธีกรรมนี้แพร่หลายไปทั่วทุกคนทุกแห่งในโลกและจงเลือกสิทธิบรรลุธรรมตลอด จนมีความรู้ในธรรมที่มั่นคงเป็นผู้รับสืบทอดบาจีวรสังคติและวิถีธรรมตรงนี้อย่างระมัดระวังอย่าให้ขาดตอนลงไปได้ท่านมีบุญยญลักษณะบารมีดีพร้อมและอายุยืนยาวมากกว่าสังคปรินายกองค์ใดๆหลังจากที่ฉันดับไปแล้วเป็นเวลา67ปีแผ่นดินนี้จะเกิดภัยสงครามอันม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ท่านจึงควรนำวิธีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่สู่ประเทศจีนเถิดก่อนหน้าที่พระบรมจารย์ตั๊กม้อจะเดินทางไปจีนได้ส่งพระภิกษุสาวกสองรูปให้เดินทางไปสำรวจดูรูทางก่อนแต่ถ้าว่าเมื่อสิทธิ์ทั้งสองไปถึงแผ่นดินจีนกลับไม่ได้รับการต้อนรับหรือสนับสนุนจากนักบวชและปูคนทั้งหลายเท่าที่ควรต่อมาพระภิกษุทั้งสองรูปจาริกไปถึงที่หลู่ซัน ได้พบปะกับอาจารย์หุยเวียนไต้ซือผู้ซึ่งคลั่งเคร่งต่อการท่องสวดท่านหุยเวียนไต้ซือได้ถามสิทธ์ของพระอาจารย์ตักมอว่าท่านทั้งสองเป็นพิสุจากอินเดียนํำธรรมะอะไรมาเผยแผ่แล้วทําไมผู้คนจึงไม่ศรัทธาเวลานั้นพระภิกษุทั้งสองผู้ภาษาจีนได้น้อยมากไม่รู้จะอธิบายยังไงจึงได้แต่แบมือออกไปและตะวัดกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่ามันเด็วไหย ท่านหุยเวียนใต้ซือก็ตอบว่าใช่เร็วมากสิทธิของอาจารย์ตั๊กมอสจึงกล่าวว่าโพธิและทุกข์ก็เร็วเช่นนี้แหละเมื่อท่านหุยเวียนไต้สือ่อได้ยินก็บังเกิดความสว่างรู้แจ้งในทันทีและได้เปล่งอุทานทำขึ้นมาว่าทุกขคือสุขสุขคือทุกขไม่แตกต่างทั้งสองอย่างเกิดดับอยู่ที่ใจอยู่ข้างไหนก็ขึ้นอยู่กับใจที่สำแดงหลังจากที่ท่านหุยเวียนไต้สือ่อรู้แจ้งในธรรมะแล้ว จึงกล่าวนิมนต์ให้พระภิกษุอินเดียทั้งสองรูปอยู่จําพมนักพรนสาที่อารามของท่านแต่ช่างน่าเสียดายมากที่ต่อมาไม่นานสิทธิ์ทั้งสองของอาจารย์ตักมอก็ดับขันในวันเดียวกันซึ่งสถานที่บรรจุสตรีระสังขารของทั้งสองท่านก็ยังคงปรากฏอยู่ณเขาหลูซันเป็นหลักฐานจนตราบถึงทุกวันนี้ต่อมาเมื่อพระปรมาจารย์ตักมอได้พิจารณาเห็นถึงวาระอันควร ท่านจึงประกาศต่อบรรดาสานุสิตในอินเดียว่าบัดนี้เวลาแห่งการปฏิบัติภารกิจสำคัญมาถึงแล้วอาจารย์ต้องนำเอาหลักธรรมอันยิ่งใหญ่ไปสู่แดนบูรพาการเดินทางอันยิ่งใหญ่เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาจากอินเดียสู่ประเทศจีนจึงเริ่มขึ้นพระมาจารย์ตักโม้อจึงออกเดินทางจากอินเดียโดยลงเรือโต้คลื่นฝ่าลมมรสุมโดยไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากเหนื่อยยาก มีเพียงความมุ่งมั่นที่จะส่งมออปลักแห่งจิตวิญญาณอันเที่ยงแท้เพื่อช่วยเวนยสัตว์ทั้งปวงด้วยรูปลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เป็นชาวอินเดียมีหนวดเครารุงรังในตาทั้งคู่กลมโตผิวดำคล้ำชาวบ้านที่พบเห็นก็จะหลอกลูกหลานว่าพระแขกมาจับตัวเพื่อให้เด็กๆกลัวฉะนั้นแม้ว่าท่านจะเดินทางไปทางไหนเด็กๆ ก, ก็จะพากันวิ่งหนีเข้าบ้านหมดบางคราวต้องฝ่าแดดฝ่าคร่ำฝน ท่านก็ดึงเอาผ้าจีวรขึ้นคลุมศรีรษะกันร้อนกันหนาวนานวันผ้าจีวรที่ห่มอยู่ก็ขาดชำรุดคร่คร่าเปื่อยขาดอันเนื่องมาจากการรอนแรมนานถึงสมปีสู่ประเทศจีนมีเรื่องกล่าวกันว่าช่วงนั้นแม้ในประเทศจีนจะมีพุทธศาสนาสถาปนาขึ้นมาแล้วก็ตามแต่พุทธบริษัททั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมกันเพียงแต่ผิวเผินการสวดมนต์ภาวนาศึกษาธรรมก็ม่ได้ทาอย่างจริงจัง แต่ทั้งเล่าเรียนพระไตรปิฎกก็หวังแค่เพียงกระดับความรู้หรือไม่ก็ใช้เป็นข้อถกเถียงเพื่ออวดภูมิปัญญากันมากกว่าและหากจะให้พูดถึงการมุ่งปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาแล้วก็ช่างยากที่จะหาคนทุ่มเทฝึกฝนคนก็คือคนนั่งนานก็บ่นว่าเมื่อยล้วนกลัวความลำบากไม่จริงใจในการปฏิบัติได้แต่ร่าร้องที่จะเอามัดผลมนุษย์หนอมนุษย์ตักหมอเตสือรมาจารย์องคแรกจากอินเดีย ที่นำพระพุทธศาสนานิกายเซนสู่แผ่นดินจีนชาวจีนนิยมเรียกสั้นๆว่าชอโจหรืออิจโจมีความหมายว่าองค์แรกคือองค์ที่หนึ่งหรือตักม้อโจซือฉะนั้นทางฝ่ายจีนจึงเริ่มนับพระพุทธธรรมเป็นพระสังฆบรินายกองค์ที่หนึ่งของจีนกระทั่งวันที่21่สค่ำเดือน9สมัยราชวงศ์เหลียงบูตี้ประมาณปีพุทธศักราช1เจ็สิ ท่านจึงมาถึงยังฝั่งเมืองกวางโจงขณะนั้นพระเจ้าเหลียงบูตี้พระองค์ทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนามากทรงถือศีลกินเจยอยู่เป็นประจำเมื่อข่าวการมาถึงของพระป ร, ะรมจารย์ตักมอถูกรายงานไปยังราชสำนักพระเจ้าเหลียงบูตี้จึงติติยินดียิ่งจึงได้มีพระกระแสรับสั่งให้อรัธนาเข้าเฝ้าทันที ในปีนั้นเองพระปรมาจารย์ตักม้อได้รับนิมนต์จากพระเจ้าเหลียงบูตี้ไปยังนานกิงนะครหลวงเพื่อถกปัญหาธรรมพระเจ้าเหลียงบูตี้ได้ตรัสถามพระอาจารย์ตักม้อว่าตั้งแต่ข้าพระเจ้าครองราชมาได้สร้างวัดวาอารามโบสถ์วิหารและพระคำพีมากมายอีกทั้งอนุญาตให้ผู้คนได้บวชโปรยทานถวายพระตาหารเจแดพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนทนลุบำรุงพราศาสนามากมายไม่ทราบว่าจะได้รับกุศลมากน้อยเพียงใดพระอาจารย์ตั๊กม้อตอบว่าที่มหาบาพิษบําเพ็ญทั้งหมดเป็นเพียงบุญกิริยาทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่กุศลแต่อย่างไดการที่ท่านตอบเช่นนั้นกระเพราะพระเจ้าเหลียงบูตี้มีความเข้าพระทัยผิดหลังที่แม้ปัจจุบันผู้คนเข้ามาจะคิดว่าบุญและกุศลเป็นอย่างเดียวกันจึงเรียกสับสนปนเปกันไปแท้จริงการให้ทานเงินทอง วัตถุสิ่งของอาหารหรือสร้างวัดวาอารามต่างๆเรียกว่าบุญหมายถึงส่งที่ให้ฟูใจทำให้มีใจปิติอิ่มเอิมส่วนกุศลหมายถึงสิ่งที่จะช่วยขจัดเครื่องกลางกั้นช่วยให้จิตหลุดพ้นรอดไปจากสิ่งครอบคลุมห่อหุ้มพุทธะจิตธรรมยานฉะนั้นกุศลที่แท้จริงก็คือความรู้แจ้งทางจิตใจคือปัญญาอันผงแผ่สมบูรณ์เป็นความสว่างสงบจากกิเลส เวลานั้นพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงตรัสถามอีกว่าอารยิยาสัตว์คืออะไรพระอาจารย์ตักมอตอบว่าไม่มีพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงตรัสถามอีกว่าเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้คือใครพระอาจารย์ตักมอก็ตอบว่าไม่รู้จักพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงได้ยินคำตอบเช่นนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอพระทยัย พระอาจารย์ตักมอ้อเห็นว่าพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงสั่งสมภูมิปัญญายังไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุดได้จึงได้ทูลลาจากไปเมื่อท่านเดินทางพ้นจากเมืองไปแล้วพระธรรมจารย์ปอจีเชียงสื่อคือพระเถระผู้ทรงปราดเปืองรอบรู้พระไตรปิฎกได้เข้าเฝ้าแล้วกรับทูลถามพระเจ้าเหลียงบูตี้ว่าพระภิษุกอินเดียรูปนั้นขณะนี้พำนักอยู่ที่ใดพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงตัดว่าจากไปแล้ว ท่านเป็นใครหรือพระธรรมอาจารย์ปอจีเซียงซือกลับทูลว่าท่านคือพระกวนอิมมหาภูธิสัตว์อวตารมาหรือทีเดียวฝ่าพระบาทได้พบท่านเหมือนได้พบได้เห็นท่านแต่เหมือนไม่ได้เห็นพระเจ้าเหลียงบูตี้ทรงทราบเช่นนั้นจึงมีพระตํารดลให้ทหารออกติดตามไปอาราธนาตัวท่านกลับมาฝ่ายพระธรรมอาจารย์ปอจีเซียงซือได้กลับทูลต่อไปอีกว่าไร้ประโยชน์ ถึงจะยกทัพไปเป็นแสนนายท่านก็ไม่กลับมาเมื่อพระอาจารย์ตักหม้อเดินทางมาจากเมืองหลวงแล้วระหว่างทางจาริกท่านได้พบนกแก้วตัวหนึ่งถูกขังอยู่ในกรงเจ้านกแก้วตัวนี้ถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ทว่ามันมีปัญญามากกว่าคนทั่วไปเพราะมันสามารถล่วงรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ามีพระอรหันต์ขีนาศพผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเหยียบย่างมาถึงแผ่นดินนี้แล้ว พอเห็นพระประมาจารย์ตักมอเดินเข้ามาใกล้เจ้านกแก้วจึงร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญท่านผู้สูงทรงขอท่านได้โปรดเมตตาชี้แนะช่องทางให้ข้าน้อยออกจากตรงขังนี้ด้วยเถิดฝ่ายพระอาจารย์ตักมอเมื่อได้ยินคำวิงบอลจากนกแก้วก็ให้คิดคำหนึ่งในใจว่านับตั้งแต่มาถึงแผ่นดินจีนจนกระทั่งบัดนี้จะหาใครบ้างที่ล่วงรู้จิตใจมีใครที่มีวาสนาพอจะแนะวิถีทําให้ได้บ้าง ก็จะมีแต่เจ้านกแก้วตัวนี้แหละที่ร้องขอเมตตาครันแล้วพระอาจารย์ตักมอทรงโปรดชี้แนะเจ้านกแก้วไปว่า2ขาเหยียดตรงสองตาปิดสนิทเท่านั้นแหละเจ้าก็จะออกจากกรงได้เจ้านกแก้วได้ฟังก็เข้าใจความหมายทันทีมันจึงเฝ้ารอขอให้เวลามาถึงทั้งนี้เพราะทุกๆเย็นเมื่อเจ้าของนกแก้วกลับมาถึงบ้านก็จะแยหยอกล้อกับมันเป็นกิจวัตร ดังนั้นพอนกแก้วเห็นหนายของมันเดินมาแต่ไกลมันจึงรีบล้มตัวลงนอนหลับตาสนิทเหยียดขาตรงทำตัวแข็งทื่อเมื่อเจ้าของมองดูในกรงเห็นนกแก้วแสนรักของตนแน่นิ่งไม่ไหวติงเช่นนั้นก็ตกใจรีบเปิดกรงเอื้อมมือเข้าไปประทองอุ้มมันออกมาเพื่อตัวดูว่าเป็นอะไรแต่เอ๊ะทำไมตัวมันยังอุ่นๆทันใดนั้นเองเจ้านกแก้วซึ่งรอคอยโอกาสอยู่ก็กางปีกบินหนีไปอย่างรวดเร็ว มันโผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความสุขสำราญและอิสระเสรีอย่างที่สุดหันมามองดูมนุษย์ในโลกกันบ้างถึงจะไม่ได้ถูกจับใส่กรงขังก็อย่าหลงนึกไปว่าตนเองเป็นอิสระผู้คนทั้งหลายนึกอยากจะกินก็กินใครอยากจะดื่มก็ดื่มสำเร็เท ม, เมาสนุกแค่สุดเหวี่ยงไม่มีศีลไม่มีสัจจะไม่มีระเบียบวินยัยไม่มีความถูกต้องไม่เห็นความดีงามความควรไม่ควรไม่มีอยู่ในสายตา ทำทุกอย่างตามความพอใจของตนแล้วคิดว่านั่นเป็นความอิสระเสรีแท้จริงมันเป็นอิสระจอมปลอมเป็นชีวิตที่ไร้แก่นสารไร้ความหมายที่แท้จริงของชีวิตอิสระก็คืออิสระจากการเกิดตายไม่ใช่ทุกคนที่อยากเกิดแต่ก็ต้องเกิดและไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากตายแต่ก็ต้องตายใครบ้างเลือกได้หรือเลี่ยงไม่ได้ มีเพียงผู้ที่อิสระแท้จริงเท่านั้นที่อยู่เหนือโลกคือสามารถพ้นเกิดตายได้เจ้านกแก้วเป็นเพียงตัวอย่างของการไปให้ถึงความอิสระคือการตายเสียก่อนตายผู้ที่สามารถตายจากรักโลภโกรธหลงตายจากลาบยศสันเริญสุขชีวิตในโลกของเขาผู้นั้นย่อมไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอาวิชชาทั้งหลายเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่า ตายก่อนตายได้สู่อิสรภาพเสรีอย่างแท้จริงทีนี้จะกล่าวถึงเมื่อตอนที่พระปรมาจารย์ตั๊หมอได้เดินทางมาถึงวัดใหญ่แห่งหนึ่งมีท่านเจ้าวาดนามว่าเสินกวงท่านเจ้าวาดรูปนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมมากและความจำล้ำเลิศชนิดที่ว่าคนทั่วไปอ่านหนังสือกันทีละแถวแต่ท่านสามารถอ่านได้ทีละสิบแถว ท่านสามารถฟังคนร้อยคนพูดในเวลาเดียวกันไม่เพียงเท่านั้นท่านสามารถแยกแยะเรื่องราวจากเจ้าของเสียงได้อย่างถูกต้องนับว่าท่านเสินกวงฝ่าซือเป็นพระสง์อัจฉริยะองค์หนึ่งแต่ถ้าว่าอีกด้านหนึ่งท่านก็เป็นนักบวชที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวมากด้วยเช่นกันในด้านการเทศนาธรรมท่านเจ้าว่าเสินควงนับเป็นนักเทศชั้นเยี่ยมยอดแห่งยุคนั้น เพราะท่านสามารถเทศจนศรัทธาสาตุชนที่มานั่งฟังสามารถมองเห็นภาพสวรรค์เห็นภาพนรกกันขึ้นมาได้เลยทีเดียววันนั้นขณะที่พระอาจารย์ตักหม้อมาถึงท่านเสินกวงกําลังแสดงธรรมเทศนามีสานุสิทธิ์ชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากพระอาจารย์ตักหม้อจึงเข้าไปปะปนนั่งฟังอยู่แถวหลังสุดตอนไหนที่ถูกถามท่านก็ยิ้มย้มและพอ ง, งกศีสระหน่อยๆตอนไหนที่เทศผิดความหมายท่านก็จะสายหน้าหน่อยๆ ฝ่ายท่านเสิร์ญกวงผู้ซึ่งกำลังแสดงธรรมอยู่บนแท่นธรรมมาดเมื่อ ม, มองเห็นภาพภิกษุอินเดียแปลกหน้ามาแสดงกิริยาเช่นนั้นเหมือนกับว่าเป็นการตำหนิตนก็ให้รู้สึกไม่สบอารมณ์บ้างทันการเทศนาจบลงผู้คนเริ่มทยอยกันกลับพระอาจารย์ตักมอจึงถือโอกาสเข้าไปสนทนาเพื่อหวังชี้แนะด้วยเห็นว่าเป็นผู้มีภูมิปัญญาธรรมเป็นฐานอยู่แล้วจากนั้นพระอาจารย์ตักมอจึงได้ตั้งคาถามว่า ท่านอยู่ที่นี่ทำอะไรหรือท่านเสินกวงท่านเสินกวงจึงตอบว่าอา้าข้าก็เทศนาธรรมอยู่นะสิพระอาจารย์ตั๊กมอเลยถามว่าท่านเทศธรรมเพื่ออะไรท่านเสินกวงจึงตอบว่าเทศเพื่อให้ผู้คนหลุดพ้นพระอาจารย์ตั๊กมอถามว่าจะช่วยให้คนพ้นตายพ้นเกิดได้อย่างไรในเมื่อธรรมที่ท่านเทศก็คือตัวหนังสือบนคัมภีร์ ตัวหนังสือดำก็เป็นสีดำกระดาษขาวก็เป็นสีขาวเทศไปเทศมาก็ถือเทศตามตัวหนังสือดำดำบนกระดาษขาวเมื่อถูกจู่โจมด้วยคำถามชนิดเป็นทันตั้งตัวท่านเจ้าว่าเสิกลวงได้แต่อึกอับอ้าปากค้างไม่รู้จะตอบอยังไงจากความละอายกลายเป็นโกรธจัดแม้ว่ายามปกติท่านจะเป็นนักเทศที่เยี่ยมยอดอยู่ก็ตามแต่เมื่อมีอารมณ์โกรธประทุ ข, ขึ้นมาก็จะรุนแรงราวฟ้าผ่า พระอาจารย์ตักมอเห็นพระท่านเสินกวงไม่อาจตอบก็พูดย้ำเขาปอีกว่านี่แหละนะแผ่นดินจีนในยุคนี้มีธรรมะก็เหมือนไม่มีหากจะว่าไม่มีก็มีคนพูดธรรมะกันทั้งเมืองถึงตอนนี้ท่านเสินกวงสุดจะกั้นความโกรธเอาไว้ได้จึงเหวี่ยงสายประคำฟาดไปที่หน้าของพระอาจารย์ตักมออย่างสุดแรงพรอบตะโกนด่าว่านี่แนะ่แกกล้าดียังไงถึงมาเป็นตัวบ่อนทาลายาศาสนาที่นี่ จะว่าไปแล้วพระอาจารย์ตักม้อท่านก็เป็นผู้เลือดล้ำในเชิงวิทยายุทธแต่ก็ไม่ได้หลบหลีกการป็ทุสรายครั้งนี้ทั้งนี้เพราะท่านนึกไปถึงว่าบรรพชิตผู้ออกบวชอีกทั้งยังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมากมายนั้นจะมากด้วยโทสะจริตจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกันหนักขนาดนี้และผลจากการถูกฟาดด้วยสายประคำเส้นใหญ่อย่างแรงทาให้ฟันหน้าคู่ทั้งสองซี่หลุดอยู่ในปาก ตามตำนานโบราณได้กล่าวไว้ว่าหากแม้นองค์พระอรหันต์เจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์ใดถูกล่วงเกินทำร้ายถึงกับพระธนต า, าตต้องตกล่วงแม้วเศษแห่งพระธนตาต้ น, นั้นตกลงณพื้นแผ่นดินใดแผ่นดินนั้นจะต้องประสบกับทุกขภัยพิบัติแห้งแล้งติดต่อกันถึงสามปีพระอาจารย์ตักมอผู้เปี่ยมด้วยมหาเมตตาจิตก็พิจารณาว่าหากแผ่นดินนี้จะต้องแล้งฝนขาดน้ำถึงสามปี ชาวบ้านผู้คนเด็กเล็กตลอดจนสัตว์ใหญ่น้อยมากมายจะต้องล้มตายกันนับไม่ถ้วนอันตัวเรานี้อุตสาด้า น, ด, านด้นเดินทางจากแผ่นดินเกิดมาแสนไกลเพื่อมาประกอบภารกิจโรดเวณยสัตว์ไม่ใช่กับกลายมาเป็นตัวก่อบวิบากกรรมให้แก่มวลเวณยสัตว์ให้ทุกข์ยากลงไปอีกเมื่อท่านดบริใคร่ควรเช่นนี้แล้วจึงกลืนฟันที่ถูกฟากจลุดทั้งสองซี่ลงไปในท้องไม่ยอมบ้วนลงพื้น พระอาจารย์ตักม้อผู้มีจิตหลุดพ้นและจากกิเล็น้อยใหญ่ทั้งปวงไม่มีความรู้สึกระคายเคืองใจแม้แต่น้อยนิดจึงได้แต่เดินหันหลังจากไปด้วยอาการอันสงบเย็นเมื่อเสือนกวงเจ้าวาดได้ฟาดสายประคำระบายโทสะไปแล้วก็รู้สึกสมใจยิ่งนักและยิ่งไม่ได้รับการตอบโต้ก็ยิ่งคิดไปว่าเพราะาพระภิกษุอินเดียแปลกหน้ารูปนั้นเกรงกลัวบา ร, รมีของตนทําให้กระยิมยิ้มย่องในใจแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นมาแล้ว อีกสามวันต่อมาขณะที่ท่านเสิญกวงกำลังจำวัดพักผ่อนยมมทุตสองตนก็ปรากฏร่างมายืนตรงหน้าพร้อมกับแจ้งว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องหมดบุญสิ้นอายุไขไม่อาจอยู่บนโลกมนุษย์อีกต่อไปท่านพยายมผู้เป็นใหญ่ให้ข้าทั้งสองมานำตัวท่านลงไปยมบโลกเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าวาดทยินเช่นนั้นก็ตกใจตะลึงและล่ำและลักถามยมทุตว่า อาตมาได้บวชเรียนศึกษาประธรรมปฏิบัติกิจบำเพ็ญมากมายกระทั่งเทศนาธรรมมวลหมู่เทพพยาดาบนสวรรค์ยังเสด็จลงมาฟังกันถึงขนาดนี้แล้วถ้าแม้อาตมายังไม่พ้นเงื้อมือพยายมไม่อาจหลุดพ้นจากบัตจักแห่งการเกิดตายแล้วในโลกนี้ยังจะมีใครอีกเล่าที่สามารถหลุดพ้นไปได้ยามทูกตัวหนึ่งได้ตอบเจ้าว่าเสนกวงว่าในโลกมนุษย์ยังมีผู้หลุดพ้นแล้ว ไม่เพียงแต่ท่านพญายมไม่อาจเอื้อมควบคุมกลับยังจะต้องกราบสักการะท่านอยู่เป็นนิดพระอริยเจ้าพระองค์นั้นคือพระพิสุกอินเดียที่ถูกท่านใช้สายประคำฟาจนพระทันตธาตุหลุดไปนั่นแหละท่านเสินโกงได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและเสียใจวิงวอนว่าขอท่านยมมาทูตทั้งสองโปรดให้เวลาอัตมาสักระยะนึง เพื่อที่อตมาจะได้ไปขอรับพระธรรมแห่งการหลุดพ้นจากพระอาจารย์ผู้บรรลุแล้วพระองค์นั้นยมมาทูกทั้งสองก็ยินยอมผ่อนผันตามคำร้องขอพอท่านเสินกวงสะดุ้งตื่นขึ้นก็รีบออกติดตามหาพระอาจารย์ตักโมจนกระทั่งลุถึงวันที่19บเก้าค่เดือนสิบจึงตามมาทันท่านไม่เห็นพระอินเดียยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้าแยงซีแต่ไกลท่านเสินกวงจึงรีบวิ่งไปจนเจียนจะถึงพระองค์อยู่แล้วขณะนั้น พระอาจารย์ตักมอสกำลังจะข้ามฟ้าแต่มองหาเรือไม่มีเลยท่านจึงดึงเอาต้นหญ้าเล็กๆกล้องหนึ่งโยนลงแม่น้ําที่กําลังไหลเชี่ยวแล้วกระโดดลงไปยืนลอยตัวอยู่บนหญ้าเล็กๆนั้นตาเพ่งจมูกจมูกเพ่งใจใจเพ่งท้องน้อยฝึกลมปราณสมาธิอาศัยกระแสลมซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พาท่านข้ามไปยังฝั่งเหนือซึ่งเหตุการณ์สําคัญนี้ในวัดเสาหลิ่นปัจจุบันยังคงเก็บรักษาแผ่นศิลาสลักรูป พระพุทธธรรมฆ่าแม่น้ำด้วยหญ้าต้นเดียวเอาไว้เป็นหลักฐานแห่งบุญญาพินิหารฝ่ายท่านเสิญกวงได้แต่สุดลงกราบที่เหลี่ยมฝั่งแม่น้ำพร้อมกับตะโกนขอขมาโทษขออารัธนาให้ท่านกลับไาอีกพระอาจารย์ตักหม้อหันมามองดูแล้วก็ยิ้มและยกมือกวักแระหนึ่งว่าจะให้กระโดดน้ำตามท่านไปอนิจจาท่านเสิกวงถึงจะมีใจศรัทธายิ่งในฤิศดาภินิหารของพระอินเดีย แต่ถ้าว่าว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่กล้ากระโดดตามลงไปได้แต่ยกมือพนมตะเบงเสียงร้องว่าขอท่านผู้สูงทรงเดโปรดกับระเถิดกลับราเถิดขณะนั้นมีหญิงชราคนหนึ่งแบกมัดฟางข้าวเดินมานางเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ยุเสริมให้กระโดดน้ำตามไปท่านเสริญกวงจึงตอบว่าอาตมาว่ายน้าไม่เป็นหญิงชราก็ย้อนกลับว่าท่านกลัวตายหรือ และทำไมเขาไม่กลัวตายล่ะว่าแล้วนางก็โยนมัดฟางให้ท่านเสรนกวงจึงตัดสินใจกระโดดเกาะมัดฟางนั้นเพื่อยุงตัวไหลาตามกระแสน้ําอันเชี่ยวกราดกระทั่งลับสายตาไปทั้งคู่พระอาจารย์ตั๊กม้อข้ามแม่น้ําแยางซีไปถึงวัดเสาหลินบนเทือกเขาชงชาญอําเภอลั่วอย่างมณฑลเหอหนังและพำนักอยู่ที่นั่นท่านได้ค้นหาท่านธรรมชาติถ้าหนึ่งบนเขาหลังวัดแล้วนั่งสมาธิหันหน้าเข้าผนังถ้ำ วันๆจะนั่งนิ่งไม่ไหวติงไม่พูดจากับผู้ใดท่านนั่งสมาธิเข้าฌานอยู่เช่นนี้เป็นเวลาถึง9ก้าปีนานวันเข้าเงาร่างที่กระทบท่าไปบนผนังศิลาได้ฝังรอยติดอยู่จนมองเห็นได้ชัดเจนสามารถเห็นได้แม้กระทั่งปัจจุบันนี้จึงได้ชื่อว่าผนังศิลาเงากล่าวถึงท่านเสินกวงซึ่งกระโดดน้ำติดตามมาก็คอยเฝ้าปรินในบัิพระอาจารย์ตักมอ้อไม่ยอมไปไหน ตลอดระยะเวลาเก้าปีที่พระอาจารย์นั่งสมาธิหันหน้าเข้าผนังท่านเสินกวงก็พยายามมาคุกเข่ารออยู่ที่หน้าถ้ำด้วยความหวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดธรรมอันสูงสุดเพื่อหลุดพ้นบริเวณที่ท่านเสินกวงนั่งคุกเขา่าต่อมาได้ถูกสร้างเป็นศาลามีชื่อว่าศาลากลางหิมะซึ่งยังปรากฏเป็นหลักฐานให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้เวลาผ่านไปเก้าปีในวันยี่สาค่ำปีไถ่เหอที่สิบ วันนั้นหิมะตกหนักมากท่านเสินกวงคุกเข่าอยู่ต่อหน้าถ้ำทั้งคืนจนหิมะท่วมสูงถึงเอวคันรุ่งเช้าพระอาจารย์ตักหมอก็ได้เดินออกมาจากถ้ำพร้อมกับเอ่ยถามว่าเธอคุกเข่าตากหิมะอยู่ที่นี่เพื่อประสงค์อะไร9ปีแห่งการรอคอยท่านเสินกวงตื้นตันจนน้ำตาไหลสึมุอกมาและตอบว่าข้าผู้น้อยมาขอรับการถ่ายทอดวิถีธรรมขอรับ ขอท่านอาจารย์โปรดได้เมตตาเปิดประตูมรทผนชี้ทางแห่งพุทธะแก่สิทธิ์ด้วยเถิดพระอาจารย์ตั๊กมอตอบว่าพระพุทธองค์สละเวลามากมายทุ่มเทชีวิตในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรุมรทผนแล้วตัวเธออาศัยความตั้งใจแค่เพียงเล็กน้อยมาขอรับธรรมอันยิ่งใหญ่คงยากที่จะสมหวังขณะนั้นท่านเสินกวงได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งไม่รู้จะตอบอย่างไร พระอาจารย์ตักมอก็ย้อนถามอีกว่าหิมะสีอะไรท่านเสินกวงจึงตอบว่าสีขาวขอรับพระอาจารย์ตักหม้อจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงรอไปถึงเวลาที่หิมะเป็นสีแดงเมื่อใดเมื่อนั้นแหละฉันจึงจะถ่ายทอดวิถีธรรมเพื่อความหลุดพ้นแก่เธอคําพูดอันเป็นปริศนาเพื่อทดสอบภูมิธรรมปัญญาจากพระอาจารย์ตักหม้อทําให้ท่านเสินกวง ทั้งเสียใจทั้งสิ้นหวังหมดอะไรตลอด9้าปีที่เฝ้ารอคอยมาความหวังช่างดูเลือนลางมากมีหนำซ้ำยังรันทดอดกลั้นตันใจเมื่อระลึกถึงความผิดบาปที่ตนได้ไปทุศร้ายพระอริยเจ้าผู้บริสุทธ์ ด, ด้วยโทสะจิตความผิดชการครั้งนั้นหากจะชดใช้ด้วยชีวิตก็ไม่อาจไถ่โทษได้ถึงตัวจะตายแต่วิญญาณก็ใช่ว่าจะหลุดพ้นเป็นอิสระไปได้ความสับสนขับอกขับใจความหมดอะไรความสิ้นหวัง ทับถมประดังเข้ามามีอาจจะสรรหาคําพูด ใ, ใดๆมาพณาได้ทันใดนั้นเองท่านเสินกวงกว็หันไปคว้ามีดตัดฟืนข้างกายยกขึ้นมาฟันแขนตนเองจนขาดตกลงบนพื้นจากนั้นท่านก็ใช้มือขวาหยิบแขนที่ขาดยกขึ้นถวายบูชาพระอาจารย์ตั๊ก้อสประหนึ่งแทนความในใจทั้งหมดพระอาจารย์ตั๊ก้อจึงกล่าวขึ้นว่าเพื่อสแสวงหาโมกขธรรมพระโพธิสัตว์ไม่ติดในสังขารและชีวิต เธอสละแขนขอธรรมะนับ่ะควรสันเสริญนับระควรสันเสริญขณะนั้นเองท่านเสินควงซึ่งก้มหน้าของตนเองเห็นเลือดจากแขนไหลนองพื้นหิมะที่เขาสะอาดซึมซับไว้ได้กลายเป็นสีแดงท่านจึงเงยหน้ารีบบอกไปว่าได้โปรดเถิดอาจารย์บัดนี้หิมะแดงปรากฏต่อสายตาท่านแล้วขอรับพระอาจารย์ตักม้อยิ้มด้วยความยินดีพร้อมกับกล่าวว่า นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นการมาถึงแดนบูรพาในครั้งนี้ไม่สูญเปล่าเพราะยังมีบุญบัสตนามาพบผู้ที่มีศรัท ธ, ธาแรงกล้าที่จะสามารถรับรู้และปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมอันเที่ยงแท้ได้เมื่อพระอาจารย์ตักหมกล่าวจบท่านได้สกัดจุดท่ามเลือดแล้วรักษาแผลท่านเสินกวงรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างจับใจจึงเอ่ยขอให้อาจารย์ชี้แนะว่าจิตของสิทธว้าวุ่น ขอท่านอาจารย์เมตตาช่วยทําให้มันสงบด้วยเถิดขอรับพระอาจารย์ตักมอจึงกล่าวว่าจงเอาจิตของเธอออกมาซิแล้วฉันจะทําให้มันสงบท่านเสินกวงนิ่งไปครู่หนึ่งและก็ตอบว่าสิทธหาจิตของท่าเองไม่พบขอรับจากนั้นพระอาจารย์ตักมอองค์สังคาปรีนายกองค์ที่28แห่งอินเดียก็ได้ถ่ายทอดทําให้แก่เสินวงด้วยวิถีแห่งจิตสู่จิตเมื่อนั้นท่านเสินวงก็ได้บรรลุธรรมโดยฉันพล์ พระอาจารย์ตั้งมอจึงกล่าวว่าเห็นได้วางจิตของเธอในที่ที่ถูกต้องแล้วและทําให้มันสงบแล้วพระอาจารย์ตั้งมอได้รับเสรนกวงเป็นลูกศิษย์และตั้งสมญาให้ใหม่ว่าผู้อื่นพร้อมกับได้กล่าวว่าสรารพศทั้งหลายอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนั้นอยู่ที่ใดเล่าเพราะไม่รู้จุดหนึ่งเสรกวงจึงต้องคุกเขา่ารอเก้าปีเพื่อขอหนึ่งจุดหลุดพ้นยมมาบาล ฝ่ามานนันผจญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ไม่ถูกว่าร้ายไม่มีในโลกและแน่นอนคนที่ไม่ถูกเบียดเลยไม่มีในโลกเช่นกันแม้แต่พระพุทธองค์เองก็ยังถูกคนดินทาใส่ร้ายป้ายสียังต้องถูกมันผจญพระอาจารย์ตั๊กม้อเองก็เช่นกันนับแต่ย่างก้าวถึงแผ่นดินจีนท่านได้ประกอบภารกิจเผยแผ่วิธีธรรมตรงมีสานุรศิษย์ก็มากแต่ขณะเดียวกันก็มีศัตรูปองร้ายไม่น้อย หลายต่อหลายครั้งที่ฝ่ายอรปักมุ่งจะทําลายชีวิตท่านโดยผสมยาพิษลงในพัตตาหารเจและทําทีมาถวายด้วยใจศรัทธาทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าในอาหารมีพิษพระอาจารย์ตักหมอกก็ยังรับมาฉันอย่างปกติจนหมดแต่เมื่อสายทุชนทั้งหลายกลับไปหมดแล้วท่านก็เดินลมปราณขับพิษอาเจียนอ า, อาหารออกมาทั้งหมดกล่าวกันว่าอํานาจของพิษร้ายและมนต์ดำเมื่ออาหารตกลงบนพื้นเพียงเศษเล็กน้อยก็จะกลายเป็นฝูงและสารพิษ ฝ่ายศัตรูมุ่งร้ายก็ไม่ยอมเลิกลาเมื่อเห็นว่ายาพิษไม่สามารถทําอันตรายได้ก็เพิ่มปริมาณยาพิษให้มากลงไปในพัตตาหารขึ้นอีกหลายเท่าแม้กระนั้นท่านก็ยังรับมาฉันอีกแต่กระนั้นก็ไม่อาจทําอันตรายใดๆแก่ท่านได้ปีพุทธศักราช1 0 7 9อยู่มาวันหนึ่งพระอาจารย์ตักม้อได้เรียกสารุสิทธิ์คนสําคัญเข้ามาพบเพื่อจะทดสอบภูมิธรรมของแต่ละคนว่าใครจะเข้าถึงอนุตรธรรมวิถี ที่ท่านสั่งสอนอบรมไว้ว่าลึกตื้นมากน้อยกว่าการเพียงใดพระอาจารย์ตักกมอตั้งคำถามว่าทาที่แท้จริงคืออะไรสิทธิชั้นอาวุโสองคแรกนามว่าเตาหูได้ลุกขึ้นยืนและตอบว่าไม่ยึดติดตัวอักษรในคำพีแต่ก็ไม่ทิ้งตัวอักษรในคำพีอยู่เหนือการยอมรับและเหนือการปฏิเสธนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงขอรับพระอาจารย์ตักหมอจึงพูดว่า เอาละเธอได้หนังของฉันไปสิทธิ์องค์ที่สองเป็นภิกษุณีนามว่าจิงทีได้ลุกขึ้นยืนและตอบว่าทำที่แท้จริงเหมือนดังที่พระ อ, อนตน์ได้เห็นพุทธภูมิของพระอักโศภยาพุทธเจ้าแวบหนึ่งและไม่เห็นอีกเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ตักหมอจึงพูดว่าถูเธอได้เนื้อของฉันไปสิทธิ์องค์ที่สามนามว่าเตายกลุกขึ้นยืนแลวตอบว่า มหาพูดรูปทั้งสี่นั้นเดิมว่างขันห้าก็ไม่เชื่อตัวตนไม่มีแม้แต่ทำใดๆนั่นแหละคือธรรมะที่แท้จริงขอรับพระอาจารย์ตักม้อจึงพูดว่าอา้าวถูกเธอแรีกกระดูกของฉันไปสิทธิ์องค์ที่สี่นับเป็นสิทธิเก้นกุติคือหุ่ยคือหรือท่านเสินกวงนั่นเองท่านได้รู้ขึ้นนมสการพระอาจารย์ตักมอแล้วหุบปากนั่งนิ่งแล้วยังเม้มลึกเข้าไปอีกความหมายก็คือ ไม่มีภาษาและเสียงใดมาอธิบายสภาวะสัจธรรมได้เลยเป็นปัจจตังคือรู้ได้เฉพาะตนเท่าที่ตนเองได้บรรลุถึงเท่านั้นถึงตอนนี้พระอาจารย์ตั๊กมอจึงหูเราะและพูดว่าดีดีเธอได้ไขกระดูของฉันไปดังนั้นพระอาจารย์ตั๊กมอจึงได้ส่งมอบบาตจีวรสังฆติธรรมะทั้งหมดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ท่านหุยเคอสืบทอด เป็นพระสังฆปรินายกองค์ที่สองของจีนนิกายเซนเพื่อดำรงอายุพระพุทธศาสนาถ่ายทอดหลักจิตญาณต่อไปแต่พระอาจารย์ตั๊กมอกก็ได้บัญชาให้ท่านหุยเครอรปกปิดฐานะตำแหน่งและหลบซ่อนตัวอีกส0ปีเพื่อให้พ้นจากการปองร้ายหลังจากที่พระอาจารย์ตั๊กมอมีผู้รับช่วงภารกิจงานทำแล้วก็ได้ออกจากวัดเซาหลินเดินขึ้นดงไปที่วัดเซียนเซิ่งตาบลหลงเหมิน กล่าวว่าท่านได้ถูกพิษที่ริมฝั่งแม่น้ำลัวซุยกระทั่งใกล้วันที่จะบรณภาพท่านจะเรียกประชุมบรรดาสารุสิ์ทั้งหลายและบอกกับท่านหุยเค่อว่าด้วยปัญญาบา ร, รมีของเธอทำได้อย่างดีที่สุดก็คือปลุกกุศลจิตอันเป็นการหวานเมล็ดพันธ์แห่งพุทธะบุกเบิกทางแห่งอริยะภูมิให้แก่ชาวจีนไว้ก่อนเท่านั้น ส่วนผลที่ได้จะเกิดขึ้นหลังจากชั้นดับขันไปแล้ว200ปีจะมีบัณฑิตใต้ต้นไม้มาเกิดเขาจะเป็นผู้นำทำให้พระธรรมคาสอนที่ฉันถ่ายทอดโดยจิตสู่จิตนี้แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมเมืองเมื่อจากนั้นก็จะมีผู้บรรลุธรรมจักสุขมากมายแล้วก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์เพราะอีก200ปีต่อมาบัณฑิตใต้ต้นไม้ก็คือท่านเว่ยหลาง ท่านเว่ยหลางผู้ได้รับสืบทอดเป็นภาษังค่าปลีนายกองที่หของจีนซึ่งเดิมท่านมีอาชีพตัดไม้ขายเพื่อเลี้ยงมารดาและพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินจีนในยุค ข, ของท่านก็จเจริญรุ่งเรืองมากกว่ายุคใดๆสุดท้ายพระอาจารย์ตั๊กมอได้กล่าวปัะชิมโอวาทฝากไว้ว่าบัดนี้ฉันอายุครบร้อยหพรรษาแล้วและได้เสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่ของพระพุทธสัตว์แห่งการมาเยือนถึงแผ่นดินนี้ ฉันได้แผ่าทานบุกเบิกเส้นทางสู่อริยภูมิไว้ให้แล้วแต่ต่อไปนี้เป็นต้นไปเป็นหน้าที่ของพวกเธอทั้งหลายที่จะต้องภาคเพียรปฏิบัติบำเพ็ญให้ได้บรรลุถึงธรรมที่ฉันได้สอนไว้จงช่วยกันหากุศโลบายประกาศธรรมนี้ถ่ายทอดสื่อไปอยังอนุชนแต่ละรุ่นอย่างกว้างขวางทุกมุมเมืองด้วยความไม่ประมาทแล้วผลบุญกุศลบา ร, รมีจากการนี้จะเกิดขึ้น อนาคตต่อเนื่องไปอีกหลายร้อยปีหลายพันชั่วยุคนชั้นสูงสุดจะส่งผลให้เข้าถึงพุทธภูมิชั้นต่ำสุดจะทำให้มนุษย์ได้มหาสติพบแสงสว่างแห่งปัญญายานอันจะส่งผลไปถึงการได้ช่วยชีวิตสัตว์เตรัจฉานให้รอดตายอีกนับไม่ถ้วนด้วยอำนาจแห่งพระเบตาพระกรุณาแห่งวิถีธรรมนี้จะเป็นเหตุปัจจัยส่งให้ปกป้องคุ้มครองชีวิตสัตว์โลกไว้ได้อย่างมากมายมหาศาลทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกเกิดหรือที่มาของพระอริยเจ้าอรหันต์พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตการก็ล้วนจะออกมาจากประตูแห่งอนาจักธรรมนี้ฉะนั้นจึงเท่ากับว่าพวกเธอทั้งหลายได้ทําหน้าที่อันสูงสุดของพระโพธิสัตว์ได้แก่การช่วยแบกหามเพื่อทูลบูชาพระอนุตตรสัมมาพธิยานมิให้วิถีกรรมนี้ดวนดับสูญจากโลกนี้ไปเร็วนะับ จะเป็นมหาบุญมหากุศลบารมีอย่างมหาศาลแก่พวกเธอตลอดจนสรรพสัตว์ทุกชาติภพไม่มีวันจบสิ้นทีเดียวบัดนี้ฉันขอเตือนพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายอีกสักหน่อยว่าจงอย่าประมาทเลยวันเวลาร้อยหนอหมดไปไม่คอยใครอายุวัยความชราภาพแห่งสังขารก็กัดกินให้สิ้นไปโดยไม่ยอมคอยใครและวิถีธรรมนี้ก็ไม่คอยใครเช่นกัน จิตตนคิดกายตนทมใครทำใครได้เองสิ่งเหล่านี้ต้องต่างคนต่างทาจะทำแทนกันไม่ได้เลยบุญกุศลมรรลนิพานต้องไปปฏิบัติเองลงมือทำด้วยตนเองให้ได้ทันตาหินจึงจะเป็นของเธอเองไปได้ฉันขออำลาพวกเธอทั้งหลายฉันจะจากโลกนี้ไปแล้วจากนั้นท่านประทรับนั่งนิ่งอยู่ในสมาธิดับขันในฌานสมบัต เข้าสู่พนิพพานท่ามกลางความเศร้าโศกสลดของเหล่าสารุสิทธิ์ทั้งหลายเมื่อข่าวนี้ได้แพร่ถึงเมืองหลวงพระเจ้าเหลียงบูตี้ได้พระราชทานสมณศักดิ์จาลึกที่พระเจดีย์บรรจุพระศพ บ, บนภูเขาสงเออสซันอําเภออีหยางมนทนเหอหนานในปัจจุบันกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ถังองค์จักรพรรดิถังไทจงได้พระราชทานานามพระอาจารย์ตักมาว่า พระชาณาจารย์สัมมาสัมพุทธยานคืนสู่ทิพยยะภาวะมีเรื่องโจทจันเล่าขานกันว่าหลังจากที่พระอาจารย์ตักม้อดับขันทิ้งสังขารแล้วสานุสิตทั้งหลายได้อัญเชิญพระสรีระเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์เป็นที่เรียบร้อยแต่ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นไกลออกไปทางตอนเหนือของจีนมีขุนนางผู้หนึ่งนามว่าช่วงวินกนาลังเดินทางไปปฏิบัติราชการในแถบนั้น ระหว่างทางเขาได้พบกับพระอาจารย์ตักหมอเดินทุดงมาในมือของท่านหิ้วรองเท้าอยู่ข้างเดียวพระอาจารย์ตักหมอได้กล่าวกับขุนนางซ่งว่าแผ่นดินบ้านเกิดของเธอกําลังจะเกิดเหตุใหญ่เพราะองค์ฮ่องเต้เสด็จสวรรคตแล้วเธอจงรีบเร่งเข้ากลับเมืองหลวงโดยเร็วเถอดขุนนางได้ยินจึงถามว่าพระคุณเจ้ากําลังจะทุดงไปที่ใดหรือขอรับพระอาจารย์ตักหมอก็ตอบว่า อัตมาเสร็จสิ้นภารกิจแล้วกำลังจะกลับอินเดียคุณนางจึงถามว่าและจะมีใครสืบทอดวิถีทำจากท่านเราขอรับพระอาจารย์ตักกมอจึงตอบว่าอีก40ปีข้างหน้าบุคคลผู้นั้นจะปรากฏตัวจากนั้นคุณนางส่งวินกลับถึงเมืองหลวงก็พบว่าปรากฏการเป็นจริงดังคำบอก เขาได้เล่าเรื่องราวการพบกับพระอาจารย์ตักมอที่ภาคเหนือให้บรรดาชาวเมืองฟังแต่ไม่มีใครยอมเชื่อต่างพูดยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านได้ดับขันทิ้งสังขารไปแล้วจะไปพบกับใครได้ดังนั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงจึงได้ทําการขอรุญาตเปิดหอบรรจุพระศพปรากฏว่าหีบพระศพว่างเปล่าเหลือเพียงรองเท้าข้างหนึ่งทิ้งไว้เหตุการณ์นี้สร้างความสงวนงงงวยให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากจวบจนกระทั่งบัดนี้ ก็าหามีใครร่วงรู้ว่าพระสริระของพระอาจารย์ตั๊กมอหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรหรือว่าบางทีท่านอาจจะยังคงจาริกไปทั่วและมีผู้ที่ศรัทธาอาจจะได้พบปะสนทนากับท่านแล้วเพียงแต่ว่าเราจำพระองค์ท่านไม่ได้หรือว่าท่านได้เข้าสู่สภาวะทิพยอันเป็นอมตะนิรันสามารถปรากฏกายได้ในทุกที่และในทุกรูปแบบไรขีดจากัด เป็นอิสระเสรีอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์นี่ก็เป็นตำนานชีวประวัติของพระปรมาจารย์ตักหมอนะครับที่ผมนามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับข้อคิดดีๆคติธรรมจากตํานานของท่านปรมาจารย์ตักหมอบ้างนะครับสวัสดีครับ